อาจริญพรเราทุกคนเมื่อกี้ได้ยินบอกว่าจอภาพไม่ติดบอกว่าก็ลดผัดษาไปช่องหนึง่ง <c oughs> การลถผัดษาถ้ามันดีจริงนะเราไม่มีตาไม่มีหู <c oughs> นี่เรามีตาเรามีหูจมูกมีลิ้นมีกายมีใจ ผัสสมากระทบเราห้ามไม่ได้เลือกไม่ได้แต่ถ้ามันเป็นภัสสะที่เป็นกุศลนะยิ่งกระทบเย้อยยิ่งดีเพราะงั้นจอภาพหายไปนะไม่ได้เห็นหลวงพ่อก็ขาดภัสสะที่เป็นกุศลไปช่องหนึ่ง <c oughs> <c oughs> เดือนนี้เดือนกุมภาใช่ไหมกุมภาหลวงพ่อมันนึกได้นั่งรถมา หลวงพ่อไปกราบหลวงปู่ดุลนครั้งแรกเลยนะหกกุมภา 2, 125, ปี2อพันยีสามสิบปีพอดีเลยนึกถึงหลวงปู่เหมือนหลวงปู่มาอยู่ด้วยวันนี้เทศธรรมะของหลวงปู่ให้ฟังหลวงปู่ดุลนั้นเป็นครูบาอาจารย์ที่อาศจ ร, ร ม, มากท่านสร้างบารมีมาทางจะเป็นพระปัจเจก พ, พุทธเจ้า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 ครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนึงพอท่านออกจากสมาธิ mm hmm. ท่านก็จะสอนให้ประโยคสองประโยคเท่านะั้นแต่ละคนไม่เหมือนกันงั้นถ้าจะไปถามว่าหลวงปู่ดูลสอนอะไรนะ mm hmm. ไปถามลูกศิษย์ทีละคนนะตอบไม่เหมือนกันตรงที่ท่านสอนมาไม่เหมือนกันนะันไม่มีใครรวบรวมรวมาไว้ได้หมดด้วย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 รวมทั้งพระหนุ่มเนนน้อยอะไรนี่ที่อยู่กับท่านเวลาไปก็ไปคุยกันว่าหลวงปูสออ่สอนอะไรสอนอะไรสุดท้ายเลยพบอย่างหนึ่งว่าหลวงปู่เนี่ยสอนธรรมะนะครอบคลุมทั้งหมดเลยตั้งแต่ต้นจนจบแต่ท่านสอนแต่ละคนนะเท่าที่จะทําได้เงี้ไม่เหมือนกันหรอก ธรรมท่านมีตั้งแต่เรื่องของสมถะกรรมฐานให้ทําสมถะนะไม่ใช่ไม่มีท่านสอน ท, ทาําสมถะท่านสอนตามจริตนิสัยอีกอนะย่างมีพระองค์ในชื่อหลวงพ่อคืนหลวงพคืนในเปยังไม่ได้บวชในเรียดเนี่ยหลวงปู่ดุลแล้วชอบขึ้นไปภาวนาอยู่หินมักเป้งกับหลวงปู่เทศมีกล่าวหนึ่งไปขอกรรมฐานหลวงปู่ดุลบอก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 สมถกรรมฐานที่หลวงปู่ดูลสอนนั้นมันหลากหลายมากเลยท่านสอนตามจริตนิสัยอย่าบางคนไปเรียนะแท่านสอนบอกว่าให้ประคองจิตให้นิ่งให้ว่างรักษาจิตอยู่ข้างในนะให้ว่างๆอยู่ข้างในเงียบๆอยู่สงบอยู่ภายในในโลกเศรษฐกี้ก็เรียนได้แค่นี้แหละทั้งชีวิตเนาะพวกมันจะรักษาจิตให้ว่างๆเขาบอกหลวงปู่ดุลสอนสอนไหมสอน การปรครองจิตให้นิ่งให้ว่างอยู่ภายในนั่นคือสมถากมฐานนะการที่ไปมองความว่างๆของจิตีชื่อว่าอากาสานัญจยตนะเพยงอรูปนั่นเองถ้าทำได้ก็เข้าอารูปเข้าอารูปจำนานนะตาตายไปก็ไปเป็นอรูปปรุมตอนที่พระศรีอริยเมตไตร ม, มาตรจเป็นพุทธเจ้าถ้าท่านนึกถึงนะท่านจะอุทธานว่า พลาดจากคุณอันใหญ่พลาดจากคุณใหญ่ไม่มีตาไม่มีหูไม่มีจมูกไม่มีลิ้นไม่มีกายที่จะกระทบอารมณ์ไม่มีโอกาสฟังธรรมะเพราะฉะนั้นตาไม่ได้เห็นรูปหลวงพ่อเนี่ยหายไปช่องหนึ่งนะถ้าหายครบห้าช่องแล้วก็คืออรูปอปรปมหลพลาดจากคุณอันใหญ่นะเนี่ยสั้นสอนไม่เหมือนกัน งั้นจะบอกว่าหลวงปู่สอนอะไรหลวงปู่สอนอะไรแต่ละคนขั้นสอนแตกต่างตามจริตนิสัยนะคนไหนชอบส่งจิตออกนอกชอบเล่นอะไรแผลงๆเลยให้รักษาจิตให้ว่างๆนิ่งๆอย่าไปยุ่งกับใครอยู่ข้างในคนเดียวเลยก็ได้สงบนี่ระดับหนึ่งเลยนะขั้นต้นเลยขั้นต้นสุดเลยนะคือท่านสอนเรื่องสมถกรรมฐานท่านก็สอนสิ่งที่ได้ก็คือได้สมาธิชนิดที่เรียกว่าอารามนนานุปนิชฌาน จิตเพ่งแน่วแน่อยู่ในอารมณ์อันเดียวอย่างดูผมเส้นเดียวก็เพ่งอยู่ในผมเส้นเดียวนะมันเป็นอะไรถูกไหมมันได้กระสินการที่เพ่งเห็นเส้นผมเป็นเส้นยาวๆเป็นท่อนๆะมันคือกระสินกระสินดินกระสินสีถ้าสีขาวสีดํามันก็เป็นกระสินสีรูปร่างของมันเป็นแท่แงๆเป็นท่อนๆก็เป็นกระสินดินก็ได้สมถะดูกระดูก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 คนไหนจิตยังไม่ดีเลยฟุ้งซ่านมากอนะไรนันท่านก็สอนสมถะให้ก่อนให้สงบคนไหนมีบา ร, รมีมากขึ้นนะท่านก็สอนให้ฝึกอย่าสงบอย่างเดียวต้องตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูด้วยนะสมัยก่อนที่หลวงพ่อสอนญาติโยมครั้งแรกๆนะก่อนหลวงพ่อบวชหลวงพ่อสอนจนกระทั่งจิตมันตื่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บงิงบานเป็นคนรู้คนดูได้นะสมัยนั้นก็ถือว่าเป็นของหายาก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 นะอ๋อผีใหญ่เหรอเป็นพลมอนาคาเป็นขีใหญ่พองนักปฏิบัติเราไปตายอยู่ตรงนี้หมดเลยนะเนี่ยท่านเปลยเปย อ, อย่างนี้นะท่านไม่สอนต่อนะเราก็ไม่ได้ถามอะไร น, ะนั่งคืนถามท่านก็ไม่พูดให้ฟังอยู่มาอีกเป็นปีเลยนะไปกราบท่านครั้งสุดท้ายนะปลายเดือนกันยานะปี26ท่านสิ้นปลายตุลา ถ้าปลายตุลาไปกลับท่านที่36มวันก่อนท่านมรณภาพท่านมรณภาพ30ตุลาไปกลับท่านตั้งแต่ตอนบ่ายนะท่านก็เทศให้ฟังนะเรื่องจิตคือพุท ธ, ธะเรื่องอะไรต่ออะไรเรื่องอริ ย, รายศาสตร์แห่งจิตเทศเทศเทศไปแล้วก็ฟังไปด้วยจนค่านะค่าแล้วหลวงปนะนะู่นะหอบเลยนั่งหอบหอบหอย่างเงี้ยนะเราโอ้หลวงปู่เหนื่อยมากแนละ้วหลวงปู่ว่าอายุกเกือบร้อยแล้วนะ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 ปกติเวลาไปหาหลวงปู่ดุลเนะะี่ยค่ะกลับจะต้องแวะกลับหลวงพ่อพุธ ท, ท่านจะซักว่าหลวงปู่สอนอะไรครท่านอธิบายเพิ่มให้คราวนี้ก็ท่านก็ถามนักปฏิบัติคราวนี้หลวงปู่สอนอะไรล่ะหลวหลวงปู่สอนบอกว่าพวอผู้รู้ให้ทำลายผูร้รู้พวอจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริง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 ก็จิตมันทุกข์ซะตัวเดียวตัวอื่นทุกหมดเลยนะพอเห็นแจ้งว่าจิตเป็นตัวทุกข์แล้วเนี่ยการสลัดคืนจิตให้โลกจะเกิดขึ้นปฏิณิสักะการสลัดคืนจะเกิดขึ้นจะสลัดจิตทิ้งไปนะบางท่านมีสาวเอฟเฟคด้วยตอนสลัดนะ้าผาแห่นดินไหวโลกกระเทือนอย่าง น, นี้มีสาวเอฟเฟคบางท่านก็ไม่รู้เรื่องเลยขาดทึ้งกระเด็นไปเลยนะไม่มีรวดลาย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 ขั้นที่3 ม, มาเจริญวิปัสสนานะเจริญปัญญาที่บอกไม่ให้มีญาณเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปดูการทํางานดูความเป็นไตรลักษนณะ์ขั้นสุดท้ายขั้นที่4ไม่ใช่ขั้นสุดท้ายขั้นสุดท้ายของการปฏิบัตินะต้องปล่อยวางจิตให้ได้นะอย่าไปสงวนรักษาจิตเอาไว้เพราะนักปฏิบัติส่วนใหญ่ไปตายอยู่ตรงที่สงวนรักษาจิตนั่นแหละคิดว่าจิตเที่ยงจิตเที่ยงเป็นมิจฉาทิฏฐิตัวร้ายกาศเลยเสร็จแล้วท่านก็สอนถึงจิตที่หลุดพ้นแล้วนะ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 ท่านก็เห็นแล้วเนี่ยกำลังใกล้จะขาดใจแล้วดูของท่านไปด้วยองใจของท่านไม่กระสับกระส่ายใจของท่านไม่ดิ้นรนอะไรเลยนะท่านยังบ่นกับหลวงพ่อเลยนะมาเล่าให้หลวงพ่อฟังทีหลังนะเสียดายตอนนั้นน่าจะตายไปนะหมดเรื่องหมดราวหมดเปล่าไม่แน่แนะท่านบอกกัาจานย์ว่านนจิตมันไม่ยึดอะไรเลยดีปรนะากฏว่าไม่ตายเนี่ยมักจะเป็นอย่างนี้จิตพอมีพลังขึ้นมานะแทนที่จะตายกลับไม่ยอมตายนะ พอไม่ตายท่านหายป่วยหายอาพาธนะแล้วท่านก็ไปหาหลวงปู่หลวงปู่สมอาพาธหนักนะแล้วก็มันรอดมาได้นะอยากถามหลวงปู่ว่าถ้าตอนเจ็บหนักนะตอนใกล้ตายเนะี่ยเราควรจะวางจิตอย่างไรควรจะทําจิตอย่างไรหลวงปู่บอกว่าเออท่ า, ายังไม่จบนะตอนนั้นน่ะต้องทาแบบเรียกว่าตกกระไดพลอยโจนนะตกกระไดพลอยโจนหมายความว่า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 สามีนั่นก็พาเนนมาบ้านมาหลายองค์เลยมาถึงบ้านใหญ่ท่านอยู่ในครัวชงเชงชงเชงคงทําอะไรอยู่ในครัวนะเห็นได้เวลาแล้วจะงกมาเฮ้ยเนนทั้งนั้นเลยนะสามีเรียกเนนขึ้นนั่งเรียงแถวอย่างเนี้เอาบาตมาตั้ ง, ตงเตรียมจะฉันมนะนะเดี๋ยวยกจากครัวก็ฉันได้แล้วันนี้มโนไปฉันเนี่ยไม่ได้นมโนไปสวดเนี่ยนะสมัยก่อนนิมนต์ไปฉันก็คือฉันนะ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 จะส่งผลให้มีอายุวันน่าสุขขาวภละเนี่ยเห็นเรื่องเทศเทนั้นเลยยายพราหมณีโปลัวมาเห็นเนนเะฮ้ยไปเอาเนนมาทําไมไปไปไปให้หมดไอ้เนนพวกเนี่ยไม่ให้กินหรอกเสียของจะให้นิมนต์ผู้ใหญ่เนนท่านก็ดีนะเขาไล่ก็ลุกเลยนะ เ, เขาไม่ให้กินแบบไปหาที่อื่นก็ได้ว่ะแล้วลุกออกมาเป็นแถวเลยะไอ้ชาวบ้านที่ไปร่วมงานเฮ้ยทาอย่างนี้ได้ยังไง ไม่ถูกเนี่ยด่าอิตาผัวนะตาผัวอา้าเนนเนเนเชิญเนนขึ้นไปนั่งต่อ <c oughs> เนี่ยถูกเขาไล่ขึ้นไล่ลงอยู่หลายรอบนะจนในที่สุดประชามติเขาจะด่าอีหนางคนนี้นะอา้าวอยากกินก็กินไปวันนี้ไม่ได้บุญแล้วนะเนนฉันเสร็จนะบางองค์ก็เหาะขึ้นไปมางองค์ก็ดำดินไปบางองค์ก็หายตัวกลับวัดนะยายพราหมณีนี่ยปลื้มมากเลย โหเนนี่เก่งจริงๆนะเทศเรื่องอะไรเนีน่ยทำไมมันออกมาเรื่องเน็ <laughs> <laughs> <ś le> นจะบอกว่าดูจิตไม่ยากหรอกเด็กๆมันยังดูเป็นเลยนะแก่จนหัวเริ่มหงอกย้อมผมแล้วบางคนกนะ็อย่าว่าดูยากอะไรนักหนาจิตมีความสุขรู้ไหมจิตมีความทุกรู้ไหมก็รู้ทุกคนนะเห่นไะห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 ท่านพูดถึงกระทั่งลีลาการเข้ากัน น, นิพพานแต่หลวงพ่อไม่เทศให้พวกเราฟังนะเดี๋ยวพวกเราไปคิดเอาคิดเอาเองไม่ได้กินหรอกกิเลสเอาไปกินหมดเลยโยมน้อมมัตกรรมหลวงพ่อเชิค่ะมาจากปัตตานีค่ะหวัหวหมักอะเจอหลวงพ่อทวดไหมเมื่อก่อนหลวงพ่อจะไปกราบท่าน <laughs> <laughs> เดี๋ยวนี้ไม่ได้ไปแล้วก็ <laughs>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 เหมือนเป็นก้อนอะไรที่มีแบบว่าบอกว่าเออก้อนๆแบบเนี้ยคือคนแล้วก็โลกนี่มันเหมือนอยู่ในหนังมันไม่ใช่หนังที่แบบถ่ายคนแ้วมันเหมือนหนังกระตูนนะคะที่เหมือนกับว่าโอเคฉากประมาณนี้แหละคือคือโลกแล้วก็มีคนอยู่ประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วนึกได้ไหมโลกเหมือนความฝันค่ะมันมันเหมือนอินมูชั่นใช่ใช่ค่ะใช่ใชเหมือนับแดดเหมือนความฝันเหมือนภาพหลวงตาค่ะพอเห็นแบบพระพุทธเจ้าบอกไว้อย่างเงล้ว พอเห็นแบบนั้นแล้วกลับมาดูแล้วรู้สึกว่าใจมันสถานสถานแล้วก็มันพยายามดึงว่าแบบ <c oughs> ไม่ได้นะแยกแยกแบบนี้ไม่ได้ต้องแนบกลับไปสิมันพยายามที่จะแนบกลับไปเลยไม่ลงค่ะแล้วก็ตอนนั้นก็แอ บ, บคิดว่าเอ๊ะคือคือก็ใครครวรใหญ่เลยว่าเอ๊ะหรือว่าเราคิดหรือว่าเราเราเป็นพราะว่ฟังแล้วก็คือตื่นคือฟังแล้วก็ตีความไปจากความคิดหรือหรือเห็นจริงๆริงหะเห็นจริ ง, รงๆนะ แต่ต่อไปจะเห็นหรือจะไม่เห็นก็อย่าไปว่ามันอย่าจงใจให้เห็นตลอดเวลาถ้าจงใจให้เห็นจะผิดนะให้เขาเห็นเองหรือใช้ได้ทาถูกแล้วล่ะอ๋อค่ะขอบพระคุณค่ะแต่ต้องมีความสงบเป็นพื้นมากกว่านี้หน่อยนึงฟุ้งไปตื่นเต้นมากค่ะขอบพระคุณครับครับกลับมาพิธีการหุวงพ่อครับก็มาครั้งนี้เป็นครั้งแรกก็มีประเด็นที่จะเรียนถามสองประเด็นก็คือ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 ครับ ม, มันตรงนี้มันเป็นมิาสาทิถีใช่ไหมฮะและ้วก็ก็คือแบบมันก็จะเกิดอารมณ์เบื่อหน่ายแบบนี้เป็นช่วงแล้วทีนี้เ บ, บเบื่อตัวนี้ไม่ใช่นิพิทานะเบื่อตัวนี้เป็นโทสะโทสะใช่ไหมครับเพราะเราอยากจะทิ้งอันนี้จะไปเอาอีกอันหนึ่งเนี่ยอันนี้เป็นโทสะถ้านิพิทานะจะเห็นทุกอย่างเนี่ยเสมอกันนะมันน่าเบื่อเหมือนกันหมดเลยออันนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับนะแล้วก็ก็เลยแบบพยายามหาวิธีที่แบบเอานามยกอกนามบอกก็เลยเอาอะไรที่เป็นกิเลสมาแล้วเอาแบบ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 ถึงจะถูกต้องครับปัจจุบันไปนะเออเห็นสาวใจมันชอบรู้ว่าชอบนะครับดูที่ใจเราอย่าไปดูสาวก็แค่นั้นก็หมดเรื่องแล้วครับก็ก็คือก็เลยขอขอการบ้านหน่อยครับว่าคือสําหรับจริตแบบนี้คือมันชอบหาอะไรมาคิดชอบคิดไปเรื่อยเนี่ยผมจะปฏิบัติยังไงแล้วก็จะรู้ยังไงว่ามันรู้มาตรฐานกับพวคิดมากนะครับคือการรู้ทันจิตตัวเองนั่นแหละครับดูไปจิตเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายดูไปได้เนี่ยอย่าไปบังคับมันนะ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 ถ้ารู้ทันว่าจิตกำลังไหลไปฝันเนี่ยตื่นปั๊บเลยกอปฏิบัติต่อไปก็เห็นงตอนนี้จิตไปฝันหรือยังตอนนี้รู้ตัวอยู่นะจิตนี้ไปคิดไหมไม่คิดไม่หนีเลยนะไปฝึกกันเยอะเลยคขอบอคุณมากครับเอานี่เดี๋ยวแนะนําเดี๋ยวมาหาป้าขลหน้าเนี่ยนะเดี๋ยวมาเรียนรายละเอียดต่อเราสมาสการหลวงพ่อช่วค่ะหนูส่งกันบ้านหลวงพ่อครั้งสุดท้าย9กธันวาค่ะตอนนั้นหลวงพ่อบอกว่า ให้ไปดูความไม่เป็นกลางแล้วก็ให้เป็นดอกบัวที่อยู่ในในคลองในหนองในบึงค่ะอย่าไปอยู่ในใจกันทีนี้ไอประเด็นที่ดอกบัวเนี่ยตรงเนี้ยค่ะเออหนูก็พอเวลาหนูจะตีตัวออกห่างจากสังคมอะไรอย่างเงี้ยก็จะนึกคำถึงคือคำนี้ตลอดใช่แต่ว่ามันก็จะติดอยู่ที่ว่าเวลาเราไปคลุกคลีกับสังคมอย่างเงี้ยมันทําให้เราคลุกคลีทางร่างกายนะคลุกคลีไปตามหน้าที่การงานของเราตามสถานภาพทางสังคมของเรา อย่าครุกคลีต้องดูแลพ่อแม่ญาติพี่น้องทำงานเท่างอะไรเงี้ยอันนี้ต้องทำใจของเราต่างหากที่ไม่คลุกคลีอืถ้าใจเราไปอินอยู่เขาเราก็รู้ทันเลยเพราะหนูถ้าในที่ทำงานน่ะถ้าเราสมมติว่าเราไม่คุยพอคุยปุ๊บแต่แต่ละเรื่องที่เขานำมาคุยมันมันจะผิดมันไม่ค่อยเนี้ยค่ะก็เลยไ ม, ไม่ดีเราก็อย่าคุยยาวอ๋อสั้นๆก็พอใช่ไหมสั้นๆหน่อยแมด่ดูกิจปกติไหะ <laughs> ปิดปกติใช่ไหมคะไล่ไหนนะภาวนาไปเรื่อยๆนะอี่ไหนมันก็จะมีคนสนใจธรรมะมาคุยกับเราบ้างคุยไปคุยมาไอ้พวกคุยเหลวไหลรสาระไม่กล้าเข้าใกล้เราเลยวงก็เราจะโตขึ้นเรื่อยๆใช่โตจะโตขึ้นเรื่อยโ <c oughs> ตไหมอะ่ะโตเรว <c oughs> ต้องระวังอีกข้อหนึ่งเวลาพูดธรรมะนะใช่ค่ะมันเพลินใช่มันจะเพลินค่ะแล้วก็จะเริ่มรู้สึกกลัวว่าเราชะเกตนั่นแหละไม่ไหวแล้วมันเริ่มเบียดเบียนไอ้พวกพูดอธรรม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 แต่หนูก็จะเห็นว่ามันทุกนะคะแต่มันจะเห็นแบบเฉยเฉยเฉยเพราะว่าเราไปตรึงมันไปหรือเปล่าหรือเพราะมันอยู่ห่างของมันเองมันอยู่ห่างค่ะแต่มันจะอยู่แบบเฉยเฉยมันมืนมันตึงแต่มันอยู่ห่างๆอะค่ะถ้าตรึงอยู่นะห่างแต่มันก็ไม่ไม่หายนะคะไม่หายแเฉยเฉยดูแบบเฉยเฉยแต่ไม่ได้มีสติจริงเราไปบังคับอยู่แต่หนูก็เห็นว่าเป็นทุกอย่างนี้บังคับเหรอคะเอเห็นความทุกนะคะเก็ยังบังคับอยู่นะแต่มันก็ยังเฉยเฉยอ้นบังคับอย่างไรคะคุณบังคับจิตนะแชปจิตนะ อย่าว่าแต่ทุกเลยพ่อของความทุกมาก็ยังเฉยเท่จิตเยือกไม่เคยหนูรู้สึกว่าเวลาทุกกับสุขเนี่ยมันแล้วบางทีนะคะหลวงพ่อเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมหลงหลงค่ะอต่ว่าต้องน้อยนะจำที่หลวงพ่อบอกไว้หลวงพ่อค่ะอีกนิดหนึ่งอีกนิดเดียวค่ะคือส่วนใหญ่หนูจะเห็นว่ามันเฉยมากกว่าค่ะสุขกับทุกนี่มันเหมือนอยู่ใต้พื้นดิน ถูก ม, มันแทบต้องไปค้นนะคะถึงจะเห็นไม่ต้องค้นหรอกถ้ามีอารมณ์ที่มันแรงพอมันก็ขึ้นมาเองปกติจิตเราก็เฉยเฉยส่วนใหญ่จะเห็นเฉยนั่นแหละถูกแล้วละ่ะถูกแล้วใช่ไหมคะมแล้วห<ร>มืนนูก็ติดอีกอย่างเดียวคะ่ะหนูรู้สึกว่าหนูต้องมีข้อบกพรองอะไรแน่นอนเลยคะ่ะหลวพ่อ ม, มันต้องมีสักข้อหนึ่งะะอะนั่นแหละไปดูเอา ไปเตือนตนด้วยตนเองอย่างนี้ดีแล้วใช่ไหมคะหนูเพราะทำไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะหนูรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเบือหวาไม่ค่อยมีอะไรที่มันแบบมีสีสันนะคะก็เฉยๆเรื่อยๆเป็นปอย่างนี้คะ่ะต้องระวังรักษาจิตให้ดีหน่อยนะเวลาจิตมันเคลื่อนไปกระทำม้ต้องรู้ทันนะตัวนี้เป็นจุดอ่อนนะค่ะอ่ะต่อไปขอบพร ะ, พะคะุณค่ะ ก, สส ก, การจะมสการเจ้าคะ่ะส่งการบ้านรอบสองปีเจ้ ค, <c ười> ค่ะเคยส่งครั้งแรกหลวงพ่อบอกว่าให้ให้ไปดูกายเจ้าคะ่ะครั้งที่สองบอกว่าพอจะดูใจได้แล้วแล้วตอนนี้ก็คือวันนี้มาส่งนี่ก็คือถ้าถ้าตามที่คําที่หลวงพ่อสอนก็คือมีสติรู้กายรู้ใจอันนี้พอรู้เร็วขึ้นแล้วเจ้าคะ่ะใช่แต่ด้วยใจที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนี้ยัง ค, ะงค่ะไม่เป็นกลางมากกว่าเป็นกลางเออไม่เป็นกลางไม่เป็นไรให้มันตั้งมั่นไว้ก่อนเจ้าค่ะเวลาใจตั้งมั่นนะม่จะเห็นว่า ร่างกายกับใจอยู่โครานกันนะพอจะเห็นเจ้าค่ะสุขทุกข์กับใจก็อยู่โครานกันเห็นไหมกุศลกับอกุศลกับจิตใจก็อยู่โครานตอนนี้มันเริ่มแยกล้เจ้าค่ะนี่พอมันไปกระทบอารมณ์นี้ทีแรกมันตั้งมั่นก่อพอกระทบอารมณ์สักพักนึงมันจะเห็นนะเดี๋ยวก็ยินดีเดี๋ยวก็ยินร้ายให้รู้ทันยินดียินร้ายอีกทีหนึ่งมารู้ทันยินดียินร้ายยินดียินร้ายจะดับเจนจะเป็นกลางนะแต่อันนี้กลางเพราะสติตอนเบื้องต้นนี้ให้กลางเพราะสติไปก่อนเจ้าค่ะ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 อุบัตเหตุอะไเนี่ยจิตที่เคยฝึกไว้อย่างดีนะมันจะดีดตัวออกมาเองอะ่ะมันจะมาเห็นเป็นช็อตช็อชอช อ, ชอตเลยนะเห็นแนละ้วเอาคอหักกรอบไปแล้วอะไรย่างเงี้ย <c oughs> อช่จิตจะเด่นดวงอยู่งั้นแต่แต่รู้สติหมดทุกช็อตเลยนะใช่ไหมนั่นนันต้องอย่างนั้นค่ะ <c oughs> เหมือนอา<ด>จานย์มหาบัวท่านเล่าอะรถท่านคว่ำอะ่ะท่านบอกเอียงทางไหนรู้หมดเลยนะแต่แขนท่านาก็หักเพราะท่านแก่แล้วะจ้าค่ะ มีเท่านี้เจ้าค่ะหลวงพ่อมีอะไรแนะนำเพิ่ม<ก>เติมั้ยเจ้าค่ะฝึกไปอีกฝึกไปให้สม่ำเสมอน ะ, ะที่ทำอยู่ก็ใช้ได้หรอกอย่าอยากได้ผลเร็วก็แล้วกันอ๋อเจ้าค่ะกราบนรรสการเจ้าค่ะมากราบขอคำชี้แนะเจ้าค่ะตอนนี้โยมปฏิบัติอยู่ที่บ้านก็ใช้วิธีเดินจงกรมแล้วก็วารกรรมเป็นเป็นบทสวดมนต์สั้นๆ<ม>ประมาณวันละครึ่งชั่วโมง ก็ <g lov ian> ทําได้ทุกวันตั้งแต่ตุดจีนมาตั้งใจว่าแล้วก็สามารถทําได้ด ส, ส่วนส่วนในช่วงชีวิตประจําวันเนี่ยก็พยายามทำเท่าที่สามารถเึกได้แต่สิ่งที่เกิดคือยมรู้สึกว่าโยมคิดฟุ้งซ่านตลอดเวลาแต่ว่าเวลาที่รู้ว่าคิดเนี่ยจํานวนครั้งต่อวันเนี่ยมันนี่ยังไงส่วนใหญ่มันจะคิดเรื่อยเปื่อยคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วกว่าจะรู้ว่าเอ๊ะคิดยาวคิดยาวมากคิดยาวมากคิดยาวต้องให้มีเครื่องอยู่ของจิตไหม นะอยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจอะไรเงี้ยแลพอจิตมันทิ้งลมหายใจที่พุโทโธไปไม่ได้รู้ว่าหลงพระเราจําสภาวะที่หลงได้แม่นนะพอไปพุ่หลงพุ๊สติเกิดเลยโยมพยายามจะอยู่กับคําบริกรรมคื อ, อเป็นเป็นคาถาคาถาสั้นๆแต่ว่าบางทีก็เหมือนสวดเลื่อยเปื่อยสวดแล้วยังไม่รู้เลยว่าสว ด, ดระหว่างสวดก็ยังคิดถึงนิดนึง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 อย่าปล่อยให้มันอะไรเงี้ยเรื่อยรู้สึกขึ้นมาอย่างตอนระหว่างเดินจงกรมก็เหมือนกันในรูปแบบเดินจงกรมนะมัเดินไปเดินมาใจลอยไปเลยค่ะเพราะฉะนั้นต้องเราความรู้สึกตัวขึ้นมาเป็นช่วงๆค่ะนะไปทับเอาไปค่ะนายกรบขอบคุณค่ะนมัสการค่ะหลวงพ่อก็ฟังซีดีหลวงพ่อมาเป็นปีแล้วนะคะแล้วก็เห็น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 อย่าใจร้อนค่ะเราต้องซื่อสัตว์ต่อตัวเองค่อยๆดูตัวจริงของเราเป็นยังไงเราค่อยเรียนค่อยรู้ไปเรื่อยนะะตัวจริงร้ายไหมร้ายมากเลยค่ะหลวงพ่อเห็นอกุศลและจิตเกิดตลอดเวลาเลยค่ะหนูต้องดูไปนะค่ะรู้เท่าทันไปเรืยค่ะดี๋ยวไปสงวนรักษามันไว้ค่ะรู้ทันมันเข้าไปค่ะแล้วมีช่วงหนึ่งค่ะหนูมีความเหมือนน้องเขาอะค่ะที่เกิดความเบื่อแต่ว่ามันเป็นความเบื่อแบบเป็นโทสะค่ะแล้วก็เป็นทุกข์เหมือนแบบ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 สุกอยู่ชอบมันรู้ว่าชอบรู้ให้ถึงจิตถึงใจจริงๆ<ะ>ถ้ารู้มาทวนเข้ามาไม่ถึงจิตถึงใจนะจะนั่งรอว่าเมื่อไหร่ทุกข์จะหายบางบางครั้งเห็นว่าเกลียดมันก็หายไปอีกแบบนึงมันก็เกิดคืออะไรแล้วบเด<อ><ป>หตุมาถึาง <ๆ S 1> อยู่<ๆ>สิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุนะหเห่ะที่โทสะยังมีมันก็ต้องมีโทสะก็ได้แค่ตามดูมันไปเรื่อยๆใช่ไหมค่ะตามดูไปเรื่อยๆนะแล้วรู้ทันจิตไป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 เวลาจะทำอะไรจะก้าวซ้ายก้าวขวามันก็จะคอยมาพากอย่างจะให้ของขวัญของมันก็พากว่าแกให้เพราะอะไรเงี้ยแล้วมันก็เลยแบบรู้สึกท้อแท้ใจในความเลวของตัวเองแล้วก็เลิกทำไปเลย Wait, <come> แล้วก็ <laughs> แล้วก็เลยกลับไปนั่งสมาธิอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. แล้วก็เสร็จก็มาเจอภาวะน้ำท่วม mm hmm. เสร็จพอเจอภาวะน้ำท่วมเครียดมากสติแตกแล้วก็พอสติแตกก็เริ่มมาะระลึกว่า ที่ผ่านมาเหมือนเหมือนเราพยายามทําดีอะไรที่เราพยายามนั่งสมาธิกดตัวเองนะนนะคะมันไม่ใช่อะไรไม่ได้เลยก็เลยรู้สึกเหมือนผีไม่มีสารอยู่พักหนึ่งจริงๆทาสมาธิดีๆน้ําท่วมเนี่ยแต่ว่าน้ําท่วมเรานะจมน้านะตายช้ากว่าคนอื่นนะอมันหายใจน้อยแล้วเราก็เลยเลยรู้สึกว่าเคว้งคว้างเหมือนเหมือนทําอะไรก็ได้ทั้งว่าทำสมาธิก็ได้เพราะจิตมันยังแบบฟุ้งอยู่อย่างเงี้ยก็เลยไม่รู้ทําไงก็เออ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 ฟูมค่ะเออแค่นี้เองมันลอยไปใช่นะนี่หนูรู้ลงปัจจุบันไปด้วยที่ฝึก อ, อยู่ในใช้ได้แล้วใช้ได้แล้วออแล้วนะถามอีกข้อนึงค่ะ mm hmm. เอ้ยสองข้อ mm hmm. ข้อแรกคือที่หนูหนูฟังซีดีหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าตื่นมาให้อะไรนาะทีทองนั่นน่ะคะ่ะแล้วก็ให้ดูว่าเราทำอะไรหนูว่ ลืมตาตื่นปุ๊บก็เห็นว่ามันมันไปอยู่ที่ลมหายใจแต่ว่าหนูงงว่าแล้วจะให้ทําไงต่อไม่เป็นไรก็ดูไปร่างกายที่หายใจอย่แค่นั้นเองใช่ไหมคะก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูนะไม่ใช่ตัวเราอนะความสุขความทุกข์กุศลอกุศลก็เป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราจิตเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายนะเห็นแต่ของไม่เที่ยงเห็นแต่ของไม่ใช่ตัวเราคก็แค่นั้นแหละแล้วก็ที่ที่ทำเมื่อสามวันที่ผ่านมามัน อยู่ๆก็กำลังส่องกระจกทาครีมอยู่แล้วก็เห็นมือตัวเองมันเป็นแบบทื่อๆท่อนๆเป็นเหมือนมันมันโดดออกมามันไม่ใช่เป็นแขนเ พ, เพียวๆเหมือนปกติหนูก็ตกใจตกใจเสร็จแล้วก็เอ๊ะสบาตาดูอีกทีก็ยังเป็นอยู่แล้วก็รู้สึกอไอ้นี่หรือเปล่าที่เขาเรียกว่ามันมันแยก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 นูกมันกำลังกังวลว่าเอ๊พอเราทําสมาธิพอมันจะดิ่งลึกหนูไปดึงมันออกกลัวว่ามันจะไปติดเพ่งไ ม, ไม่ไม่ติดหรอกจะติดหรือไม่ติดเนี่ยอยู่ที่ว่าพอไปทําแล้วนะยินดีพอใจ ร, รู้ไหมรู้ถ้ายินดีพอใจแล้วรู้เนี่ยไม่ติดอ๋อไม่ไม่ไม่ติดใช่ไหมคะมเพราะ<ำ>ากลัวติดเพง่งให้มันลงไปไม่เป็นไร แต่หนูไม่ต้องกลัวหรอกมันไม่ลงนานหรอกมันจะเที่ยวนานมากกว่าใช่งั้นลงไปเถอะอ๋อไม่เป็นไรใช่ไหมคะไม่เป็นไรแล้วก็ทํามันก็เดี๋ยวนี้มันทําบางครั้งก็ได้บางครั้งก็ไม่ได้บางครั้งก็หรือว่าทําให้มันดูไปเรื่อยๆของมันอะไรคิดอะไรก็ทำนะทําไม่ได้ก็ทำอ๋อค่ะสรุปแล้วหนูทําเข้ารูปเข้าลอยแล้วใช่ไหมคะเข้ารูปเข้าร่อยนะหนูต้องทําความสงบบ้าง งุแรสมถะใช่ไหมคะจะจิตจะรวมก็ให้เข้ารวมนะไม่ต้องกลัวหรอกรวมปุ๊บก็เด้งขึ้นแล้วอ๋อค่ะค่ะขอบคุณค่ะแต่ตรงที่อันนี้พวกเราไปใช้ได้นะเมื่อเราทำงานที่เหนื่อยแล้วเราไม่มีเวลาพักเหนื่อยมากๆนะเราปล่อยจิตให้มันลงมันลงไปปุ๊บนะมันลงไปนิดเดียวเดี๋ยวมันก็ขึ้นมานะมันจะสดชื่นได้อีกช่วงหนึ่งได้มีแรงทางานได้อีก แต่ถ้ามันเหนื่อยมากอาจจะลงไปเป็นนาทีสองนาทีขึ้นมาแต่ถ้าไม่เหนื่อยมากลงไปปุ๊บเดี๋ยวก็ขึ้นแล้วก็ได้แรงแล้วฝึกไปเรื่อยๆของเล่นครับน้ำมัศการค่ะโยมมาจากหัดใหญ่นะคะคือเจเริญนเอามาจากหัดใหญ่ค่ะคือดูจิตมาประมาณอ่าประมาณหปีนะคะแต่ว่านี้เรียนกรรมาฐานมาก็สิบปีโยมจะสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิแล้วก็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 าการทำสมาธิก็แบบเดียวกันถ้าเราจงใจจะให้สงบเนี่ยไม่สงบหรอกหนูทำเล่นๆแปบ๊บเดียวก็สงบมันมีเคล็ดลับนี่ค่ะแล้ ว, ล ว, ลวที่โยมทำอยู่นี่มีอะไรจะแนะนำโยมบ้างอีกค่ะก็ทำไปสม่ำเสมอนะอย่าหวังผลใจร้อนไปสาธุ ด, ดูออกไหมใจร้อน <laughs> นั่นแหละปัญหาเพราะใจร้อนเนี่ยใจไม่สบายไม่สงบนะจะฟุง้ง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 ช่วยด้วยว่าเขาไม่ใช่เรานะเขาเป็นหุ่นช่วยช่วยด้วยก็ได้เบื้องตอนเนี่ยคิดช่วยก็ได้ไม่เป็นไรค่ะมันจะต่าง ก, กันกับการดูจิตซึ่งเราจะเห็นว่า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 แล้วที่ปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้ค่ะหลวงพ่อก็จะพยายามเดินจงกรมวันละครึ่งชั่วโมงแล้วก็สวดมนต์ด้วยแล้วก็ที่เห็นพัฒนาการขึ้นมาก็คือในในในเรื่องของสมาธิซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยทำไม่ได้เลยแต่ตอนเนี้ยมีนั่งสมาธิได้บ้างอย่างน้อยเนียประมาณ15นาที ห, หรือว่าบางช่วงครึ่งชั่วโมงถ้าถ้า ใจไม่ฟุ้งซ่านหรือว่าตั้งใจทําเกินไปเนี่ยจะจะอยู่ได้อะค่ะจากเมื่อก่อนทําไม่ได้นั่นแหละนะพอเราฝึกสติเราดีขึ้นนะจิตใจเรารู้เท่าทันตัวเองมากขึ้นเรื่องทําสมาธิไม่ใช่เรื่องยากะนะค่ะมันง่ายแล้วคนนี้ไม่ทราบว่ามีอะไรจะต้องปรับปรุงแก้ไขอีกไหมคะต้องทำไปให้สม่ำเสมอทำถูกแล้วล่ะอ๋อค่ะแต่ถ้าจิตเคลื่อนออกไปเรารู้ทันนะแค่รู้ทันจิตไม่เวลามันหนีจากฐานไป หมายถึงฟุ้งออกไปข้างนอกใช่ไหมคะฟุ้งหนีไปคิดอะไรเงี้ยจิตหนีไหลไปคิดแล้วรีบรู้ทันไหลไปคิดแล้วรู้ทันค่ะเพราะช่วงนี้จะเป็นบ่อยแล้วก็มีโทสะบ่อยด้วยอะค่ะแล้วก็รู้ทันเวลาจิตไหลอ๋อค่ะในในเรื่องของศีลด้วยแล้วปากขาหลวงพ่อเพราะว่าศีนข้อศีเนี่ยจะรักษายากมากศีนข้อศรักษายากจะทําให้จิตฟุ้งสั้นอยู่ตลอดเวลาใช่บางคนหลวงพ่อถึงบอกในพวกที่ส่งกันบ้านนะอย่าพูดเยอะ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 ค่ะทนี้กันบ้านก็คือว่าให้ดูจิตที่ส่งออกไปที่ไม่ถึงฐานใช่ไหมคะแล้วอย่างเวลาโกรดนี่ก็จะเป็นว่าไม่เป็นกลางพอเลยค่ะใช่นั่นแหละถ้าดูรู้ทันตรงที่เป็นกลางไม่เป็นกลางนันก็เข้าฐานได้ค่ะขอบพระคุณค่ะกันบนััฒการของพ่อคะ่ะหนูเคยส่งกันบ้านกับพ่อในนานแล้วที่สวนสัตติธรรมนะคะวันนี้หนูขอรายงานการปฏิบัติที่ผ่านมานะคะปกติ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 หนูจะได้มีกำลังใจขึ้นมานีกำลังใจค่ะ <c oughs> อัง น, นั้ น, น, น, นหนุมก็คงจะต้องขอการบ้านหลวงพ่อค่ะไปทำส่ทำถูกแล้วค่ะ <c oughs> ทำบ่อยๆค่ะค่ะกับมรเศการค่ะสู้กิเลสนะมันเป็นงานยืดเยื้อสู้กันแลมเดือนแรมปีหลายๆปีเพราะเราสะสมกิเลสมานับพบนับชาติไม่ถ้วนอยู่ปุ๊บปับุ๊ บ, บ, บดูแป๊บแป๊บจะให้หลุดไปนะไม่หลุดหรอก มันเป็นงานที่ต่อเนื่องต้องอดทน